คนที่มาที่นี่นะก็รู้ดีว่าวันนี้นะเป็นวัน ส, นสำคัญสําหรับชาวพุทธอย่างไรบ้างนะวันนัสราหาบูชาเราก็เรียนมาตั้งแต่เล็กนะแล้วก็ได้ได้ฟังนะถึงความหมายของวันนัสร า, าบูชามาโดยตลอดนะเป็นวันที่พระเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ทําให้มี พระสงฆ์เกิดขึ้นนะเป็นครั้งแรกในโลกอทีแรกก็ยังไม่เป็นสงนะเพราะว่ามีแค่ภิกษุคือพราโกุลธั ญ, ญะนะท่านได้รู้ธรรมนะเป็นพระโสตบันตอนนั้นนะก็เรียกว่าท่านนะก็เป็นเป็นผู้เดียวนะที่เรียกว่าเป็นอริยสงฆนะ์และตอนหลัง ป, ปัจจวัคย์อีกสท่านนะก็บรรลุธรรมตามมาเป็นพระโสดาบันกรและตอนหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์หลังจากาที่ได้ฟังปฐมเทศนาเนี่ยประมาณวันที่ 4, วันที่5หลังจากนั้นก็ถือเป็นวันสำคัญที่ทำให้มีพระตนัไตรครบองค์มส่วนใหญ่ก็รู้เพียงเท่านัด น, นะแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นวันสำคัญก็ มาใส่บาตรมาทำบุญมาเวียนเทียนนะที่ตั้งใจมีศรัทธามากหน่อยก็มารักษาศีลแต่รู้เท่านี้ยังไม่พอนะรู้ความหมายของวันอาสาบูชาเพียงเท่านี้ยังไม่พอคือมันยังไม่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้แค่รู้จำอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ยังไม่ช่วยทำให้แก้ปัญหาชีวิตของเราได้เพียงแต่ทาให้เราเกิดศรัทธาในพระพุทธองค์ แล้วก็ทำให้เรารู้ความเป็นมานะของพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธควรจะรู้แต่ไหนๆเป็นชาวพุทธองทีก็ควรจะรู้ให้มากกว่า น, นั้นนั่นคือรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้สอนอะไรในวันอาสาระบูชาเหมือน mm. ถ้าเรารู้นะว่าพระองค์สอนอะไรนะแล้วก็พิจารณาใครครวนรวนทั้งนำไปปฏิบัต มันก็จะเกิดเป็นสริดมงคลนะกับตัวเราแล้วก็เป็นโชคอันประเสริฐนะที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธถ้าไม่รู้เนี่ยนะเพียงแค่รู้ว่าวันอาสาหรหบูชามีความหมายอย่างไรอันนี้มันก็มีแค่ประโยชน์สำหรับการไปตอบข้อสอบในวิชาศิลธรรมหรือว่าไปอวดไปบอกคนว่าเรามีความรู้นะไปตอบฝรั่งว่าวันนี้มีความสาคัญอย่างไร เราก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองว่าเออฉันเป็นชาวพุทธที่รู้ประวัติความเป็นมาพุทธศาสนารู้ว่าวันสําคัญของพุทธศาสนาคืออะไรนะรู้รู้เท่านี้มันก็ดีนะแต่ว่ามันยังไม่ช่วยทําให้เราเนี่ยพ้นทุกข์หรือว่าห่างไกลจากความทุกข์ได้ เ, เป็นชาวพุทธทั้งทีก็ต้องรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรด้วยโดยเฉพาะที่พระองค์ได้เทศนา ในวันอธิบดีมาของวันอสาสาฬบูชามาถึงตรงนี้เนี่ยพวกเราก็ก็รู้แล้วนะว่าพระองค์สอนอะไรเพราะเราได้ศาธยายธรรมาจั ก, กรปตณสูตรนะทั้งภาษาบาลีต้นฉบับแล้วก็คำแปลภาษาไทยพวกเร า, าจะสังเกตนะแต่บางคนอาจจะไม่สงสัยก็ได้ว่าทําไมพุทธเจ้าเนี่ยจึงเริ่มต้นด้วยการพูดถึงทางสุดต่งสองทางนะทำไมถึงพูดนะถึงเรื่อง การสุขารุดการดุโยะและอตัตากิเลปทานุโยะนะเป็นเบื้องต้นก่อนอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าตอนที่พระองค์เนี่ยพบปัญจวัคคีเนี่ยนะปัญจวัคคีเนี่ยไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเพราะว่าเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยละทิ้งการทรมานตนละทิ้งอตัตากิลรลมะานุโยคคนสมัยนั้นเนี่ยคิดว่าจะบรรลุ ธ, ธรรมนะหรือว่าจะพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ย มันต้องมันต้องอเรียกว่าเคร่งนะต้องทำความเพียรขั้นอุกฤษนะและความเพียรขั้นอุกฤษนะที่คนสมัยนั้นเนี่ยโดยเพราะพวกโยคีนักปฏิบัติเนี่ยรู้จักก็คือการทรมานตนซึ่งพระเจ้า ก, ก็ทำแล้วก็ทำได้อย่างเต็มที่ทำได้ดีด้วยนะแต่ว่าพอพระองค์รู้ว่านั้นไม่ใช่ทางพระองค์ก็ทิ้งครานี้ปัญจวัคคีย์เห็นเนี่ยก็ข้อใจพระองค์เนี่ยนะ คลายความเพียรล้ไม่น่าเคารพและเพราะว่าไม่เคร่งต่อไปดังนั้นพระองค์เนี่ยเมื่อเจอปัญจวัคคีย์เนี่ยจึงอธิบายว่าอัตตกิลมถานุโยกก็เป็นทางสุดโต่งไม่ต่างจากการสุขหรือการนโยโญ่ที่พระองค์ละทิ้งอัตตกิลมถานุโยคหรือการทรมานตนไม่ใช่เพราะว่าพระองค์คลายความเพียรแต่เพราะเห็นว่านั้นไม่ใช่ทาง และพระองค์ก็บอกว่ามันมีทางที่ดีกว่านั้นนั่นก็คือทางสายกลางมัชิมาปฏิปทาอันนี้เป็นการทำความเข้าใจกับปัญจวัคคีนะให้รู้ว่ามันมีทางที่ดีกว่าการทรมานตนนะและ น, นั่นคือทางที่พระองค์ได้ทรงดำเนินจะเรียกว่าทรงค้นพบด้วยก็ไดนะ้ตรงนี้ทำให้ปัญจวัคคีเริ่มหันมาสนใจ แล้วก็เปลี่ยนความคิดว่าพระ เ, เจ้าเนี่ยคลายความเพียรแล้วที่จริงพระองค์ก็ยังมีความเพียรแต่ว่าเพียรในทางที่ถูกต้องทางที่ประเสริฐกว่าอันนี้แหละคือคือเหตุผลว่าทําไมพระเจ้าเนี่ยจึงเริ่มต้นนะพูดถึงเรื่องของทางสายกลางโดยเปรียบเทียบกับทางสุดตรงสองทางถ้าไปแล้วเนี่ยการทางสายกลางเนี่ยมันเป็นทางที่ คนในเวลานั้นสายพุทธกาลไม่รู้จักนะคนที่มุ่งความหลุดพ้นเนี่ยก็รลวนแล้วแต่เทไปหันไปมุ่งหน้าไปสู่การทรมานตนทั้งสินนะ้นในสมัยของพระองค์นี่ไม่ว่าจะามีความคิดทฤษฎีแบบใดก็ตามนะจะเป็นพวกลัทธิพราหม์หรือว่าเป็นลัทธิเชนนะสมัยนั้นนี่ไม่ใช่มีแต่พราหม์ด้วมีเชนด้วยนะพระมหาวีราก็เป็นคน ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้านักปฏิบัติไม่ว่าสำนักใดนะที่มุ่งความหลุดพ้นเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปในเรื่องการทรมานตนนะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่มุ่งเรื่องการาเสพสุขอย่างเต็มที่นะการเป็นสุ ข, ขาริการทีโยกซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่ต้องการความหลุดพ้นจากทุกแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่เป็นคนแบบโลกโลกนะเป็นพวกพระราชามหากษัตริย์ที่ร่ํารวยก็ มุ่งไปในทางการศึกษาหรืการนิโยกแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมองไปทางเดียวกันก็คือต้องทรมานตนนะไม่ว่าจะเป็นพรามไม่ว่าจะเป็นเชนเชนเนี่ยนะใกล้ชิดใกล้เคียงวุทธศาสนาหลายอย่างนะโดยเพราะเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับอหิงสาศาสนาพรามณ์ในเวลานั้นเนี่ยนะมีการบูชายันนะมีการฆ่าสัตว์นะอย่าง เ, าเรียกว่าเต็มที่เลยนะ แต่เชนเนี่ยรัติเช น, นี่ไปอีกทางหนึ่งนะคือว่า <c oughs> ในเรื่องอหิงสา <c oughs> ซึ่งอันนี้ใกล้เคียงกับพุทธศาสนาไม่มีการบูชายันนะพยายามดำเนินชีวิตให้เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตให้น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่หรสัตว์เล็กคนที่นับถือรัติเชนนี่จนทุกวันนี้เนี่ยนะ เวลาเขาจะเดินไปไหนเนี่ยเขาก็จะมีมีไม้กวาดคล้ายเป็นเป็นเอ่อเป็นไม้กวาดนะคอยคอยกวาดทางเพื่อว่าตัวเองเนี่ยจะได้ไม่ไปเหยียบมแมลงแล้วก็มีผ้าปิดปากไว้นะเพื่อไม่ให้หายใจนะเอามแมลงเข้าไปเวลากินอาหารเนี่ยนะก็จะต้องตรวจ ด, ดูอาหารตรวจ ด, ดูข้าวทุกเม็ดว่ามีมแมลงหรือเปล่านะถ้ามีมแมลงนี่ ไม่ใช่เคลียร์ออกนะจะไม่กินเลยจะวางเลยนะจานข้าวหรือว่ า, าข้าวที่กอบไว้ในมือเนี่ยนะถ้าพาะว่ามีแมลงแม้แต่ตัวเดียวนี่ไม่กินเลยนะ<ม>นั่นเคร่งนังขนาดนั้นแล้วก็ที่เคร่งขนาดนั้นคือว่าไ ม, ไม่ไม่ไม่มีเครื่องแต่งตัวแต่ทั้งเซ็ตไม่มีเครื่องแต่งกายเป็นพวกเรียกว่าที่คำพรนะก็คือนุ่มลมผมฟ้า นะเปลือยกายนะเพื่อจะได้ใช้ชีวิตไม่เบียดเบียนนะเพราะว่าเสื้อผ้านี่มันก็ยังเป็นการไปเบียดเบียนนะแล้วก็เป็นการแสด ง, งความปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงคือไม่มีความยึดติดอะไรทั้งสิน้นแล้วที่เชนเนี่ยนะแม้ว่าจาในเรื่องอหินสาเนี่ยแต่ว่าถึงที่สุดแล้วนี่ก็ทรมานตนเหมือนกันนะไอ้ที่พูดมานี่ยังไม่ใช่การทรมานตนนะ แต่ว่าเขาทรมานยิ่งกว่า น, นั้นนะคือว่าเขามีความเชื่อนะว่าการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดเนี่ยเขาเรียกว่าสันเลขะสันเล ข, ขาเนี่ยนะภาษาพูดนี่ความหมายแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นเชนเนี่ยมันแปลว่าอดอาหารจนตายนะคำว่าสันเล ข, ขาเนี่ยแล้วก็นักปฏิบัติธรรมชั้นสูงเนี่ยนะก็จะถึงที่สุดแล้วก็จะอดอาหารจ น, นตายนะไม่ใช่แค่ทรมานตนประเภทว่าไปนอนอยู่บนตะปู หรือว่ากินอาหารน้อยๆเท่านั้นนะแต่ว่าเอาถึงที่สุดแล้วเนี่ยเอาจนตายอย่างพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยเป็นปู่ของพระเจ้าอาโศกเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์มรยะพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยนะก็ทําศึกสงครามจนกระทั่งสร้างอาณาจักรขึ้นมานะอนาณาจักรนะมีเมืองปัตตนะเนี่ยหรือว่ารัฐวิหารเนี่ยที่รัฐวิหารเนี่ยรัฐธิหาร นะเป็นเป็นที่ตั้งทำศึกสงครามมามากมายก็ประสบชัยชนะนะแต่ว่าปกครองอาณาจักรไปได้สักพักใหญ่ก็พรกว่าเกิดทุกพิภัยฝนแรงโรคระบาดและตัวเองเนี่ยแม้มีอำนาจมากก็ทำอะไรไม่ได้เลยมีอำนาจมากสรเปล่านะแต่ว่าพอเจอ ทุพิกภัยฝนแรงโรคระบาดนี่ไม่สามารถจะช่วยเหลือผสมนิกรประชาชนได้นะก็เกิดความคลางแคลงใจว่าไอการมีอำนาจนี่มันดีจริงหรือนะแล้วก็บังเอิญไปรู้จักกับนักพรสเชนนะแล้วท่านก็แนะนำว่าให้ให้ไถ่โทษนะบาปกรรมที่ทำไวจากการทำศึกสงครามนี่ให้ไถ่โทษนะมันจะช่วยเปลี่ยนและให้กลายเป็นดีได้ ปกคองพระเจ้าจันทรคุ้มนี่เอาจริงนะถึงกับาลาออกจากาถึงกับาลาออกจากการเป็นกษัตริย์นะมอบมอบอมอบราชบัลลังก์ให้กับลูกชายแล้วตัวเองไปไหนรู้ไหมออกบวชนะออกบวชไม่มีอะไรติดตัวไปเลยนะก็เดินจาริกไปอย่างนักบวชนะจากกษัตริย์นะที่ยิ่งใหญ่มากกลายเป็นนักบวช ที่ไม่มีขาราชบริพาหรือว่าองค์ครกษ์ติดตามนับว่ากล้าหาญมากนะก็ไปนับถือลทัทธิเชนสุดท้ายเนี่ยก็ได้บำเพ็ญพลดคันงสำคัญนะคือว่าอดอาหารจนตายนะก็เป็นที่ยกย่องมากในหมู่าสาวกนะละทัทธิเชนนว่าเนี่ยพระเจ้าจันทรคุณนีนะ่เป็นผู้ที่เรียกว่ามีความศรัทธาอย่างยิ่งแล้วก็ หลังจากนั้นก็มีคนนะอดอาหารจนตายดนะุรเรื่อยมาจนทุกวันนี้ทุกวันนี้เรยังมีนะยอมอดอาหารจนตา ย, เ, ยเพราะก็ถือว่าจะเป็นหนทางสู่การบรรลุธรรมอันนี้ก็เป็นการทรมานตนนะซึ่งมันเป็นความคิดที่แพร่หลายมากนะในสมัยพุทธกาลไม่มีใครที่จะนึกถึงเรื่องทางสายกลางพระพุทธเจ้าเนี่ยนะการที่พระองค์พูดถึงทางสายกลางเนี่ย มันมีความสำคัญมากนะทางสายกลางหมายถึงว่าอะไรทางสายกลางคือการไม่ทรมานตนรวมไปถึงการไม่สร้างความลาบากแก่ตนเองมนะีคาสอนมีคำสอ น, สอนอของพระุทธองคนะ์ที่พูดถึงว่าท่าทีต่อความสุขและทุกและความทุกข์แล้วนะข้อแรกเนี่ยก็คือว่าไม่เอาทุกข์มาทับถมตน นะอันนี้มันเบาวกว่าทรมานตนนะแต่ว่ามันก็อยู่ในในในเรื่องเดียวกันพระเจ้าไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาทุกมาทับถมตนเนี่ยและพระองค์ยังบอกว่าให้รู้จักนะหาความสบายหรือว่าไม่ปฏิเสธนะความสบายความสุขที่ชอบรำนอกจากไม่เอาทุกมาทับถมตนแล้วเนี่ยสุขที่ชอบทำก็ไม่ปฏิเสธไม่ละทิ้งนะยกตัวอย่างเช่นอ่าอ่า ทำมาหาเงินมาได้เนี่ยก็ใช้เงินเนี่ยนะหาความสุขใส่ตัวรู้จักเลี้ยงตัวให้มีความสุขพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนการอยู่แบบแตะหนีทีเหนียวอดอ ด, อ, ดอยากๆทั้งๆที่มีเงินนะแต่ว่ากินข้าวปลายหักหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่ปู่ปะนะการรู้จักเลี้ยงตัวให้มีความสุขเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสนับสนุน แต่ก็มีข้อที่3ตามมาว่าต้องไม่สยบมัวเมาในความสุขน้นนะคนจำนวนมากเนี่ยพอมีเงินนะพอมีความสุขสบายแล้วเนี่ยก็เอาแต่สยบมัวเมาในความสุขนะมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็มัวเมานะกับความสะดวกสบายนั้นนะมีโทรศัพท์กระดูมันทั้งวันทั้งคืนนะหรือว่ามีอ่มีเงินก็ใช้ในการบันเทิงเริงรมไปเที่ยวตลอดเวลานะ ไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมหรือว่าไม่ใช้สิ่งที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์นะผู้เจ้าไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับการที่สยบมวัวมาในความสุขนะซึ่งพ่อถ้าสยบมวัวในความสุขนั่นก็คือการสุขขัิธการนุโยกนั่นเองนะคสอน3ข้อเนี่ยนะมันแสดงถึงแนวคิดทางสายกลางผู้เจ้าก็คือว่า1ไม่เอาทุกข์มาทับถมตนนะสอง ไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบทำความสุขที่ชอบทำก็คือความสุขที่เกิดจากการทามาหากินด้วยความสุจริตเป็นสัมมาอาชีวะนะไม่ไปคดโกงใครนะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ปฏิเสธอย่างนี้นะไม่มองข้ามด้วยคนทุกวันนี้เนี่ยนะมีความสุขอยู่อยู่กับตัวแต่ว่าเอาแต่บ่นว่าไม่มีความสุขไม่มีความสุขนะ เป็นอย่างนี้กันเรียกว่าทั่วทั้งโลกก็ว่าได้ทั้งที่ทั้งที่มองให้ดีตัวเองเนี่ยนะมีความสุขอยู่กับตัวแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคภัยนะรบกวนอยู่กินอิ่มนอนอุ่นมีอาหารสามมื้อนะมีพ่อมีแม่มีครอบครัวแต่คนจำนวนน้อยจนวนไม่น้อยก็ยังบ่นว่าไม่มีความสุขไม่มีความสุขนะพอเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองยังไม่มีคนนึ่งเขามีกันเขามีรถ พันใหญ่เขามีลดราคาแพงมีสินค้าแบรนด์เนมนะแต่ตัวเองไม่มีก็ทุกข์ละทั้งที่ถ้าเหลียวมองรอบตัวก็จะเห็นว่าโอ้เรามีสิ่งที่อำนวยความสุขความสะดวกเยอะไอการที่มองไม่เห็นเนี่ยก็คือการมองข้ามนะการมองข้ามคนที่บอกว่าบนว่าเดี๋ยวนี้มันอยู่ยากเดี๋ยวนี้มันมีความทุกข์ไม่มีความสุขเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรว้แล้วแต่เป็นผู้ที่มองข้ามความสุขที่ตัวเองมีอยู่ ไปมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีไอ้สิ่งที่มีเยอะแยะนี่มองไม่เห็นอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญเท่าไหร่นะมันก็กระเดียดไปทาง ค, คล้ายๆกับการปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทำนะเป็นกันเยอะนะวัยรุ่นหนุ่มสาวนะเด็กๆ ก, ก็เป็นนะมีของเล่นมากมายนะทั้งเครื่องดนตรีนะทั้งเลโก้ คอมพิวเตอร์เครื่องเล่นเกมนะมีเป็นร้อยชิ้นแต่ก็ยังทุกงานระ้องไห้เพราะว่ายังไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มี iPad เห็นเพื่อนมีเขามีกันแต่ตัวยองไม่มีนะตะนั้นที่ตัวเองเนี่ยก็มีสิ่งที่ให้ความสุขอยู่เรียกว่าเต็มห้องนะอันนี้เรียกว่ามองข้ามความสุขที่ชอบทำนะแล้วเนี่ย คำว่าทางสายกลางเนี่ยที่ผู้เจ้าได้ได้สอนเนี่ยนะมันจริงๆเนี่ยมันเอามาใช้กับชีวของเราได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่รู้จักทางสายกลางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราปล่อยชีวิตจิตใ จ, จเนี่ยให้เข้าไปในทางสุดโตง่งนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ถึงกับทรมานตนนะไม่ได้คิดจะอดอาหารจนตายไม่ได้คิดที่จะนอนบนตะปูนะ หรือว่ายืนข้างยืนขาเดียวมีนะัลทิเชนเนี่ยนะมีคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันนะทำศึกสงครามเอาชนะพี่ชายได้แย่งราชสมบัติกันชนะเสร็จเกิดความรู้สึกผิดรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะที่ไปฆ่าผู้คนมากมายนะก็ในสุดก็ทิ้งนะทิ้งราชบัลลังก์ไปเป็นนักพรสยืน นะยืนขาเดียวบำเพ็ญภาวนาวอยู่ในป่าเป็นเวลาหนึ่งปีจนกระทั่งต้นไม้นี่มันพันตัวพันขานะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นคนที่ลทัทธิเชงคข น, นับถือเหมือนกันนะว่าโอ้ศรัทธามีความวิริยะมากนะพวกเราถึงแม้จะไม่ได้ทำอย่างนั้นนะแต่ก็อาจจะเข้าไปสู่ทางสุดตรงในเรื่องการทรมานตนได้อย่างไรนะ ก็คือว่าเวลามีความทุกเวลามีความเศร้าโศมีความเสียใจมีความโกรธเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ปล่อยจิตปล่อยใจให้มันจมอยู่ในความโกรธนะเอาแต่คิดถึงคนที่เราโกรธเอาแต่คิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราเศร้านะแทนที่จะหาทางออกมาจากความโกรธความเศร้าเพราะความโกรธนี่มันเหมือนไฟเผาลนใจความเศร้าก็เหมือนกับสิ่งที่มันบีบคั้นใจหรือว่าแทนที่จะออกมาจากความเกลียดซึ่งเหมือนกับ เหมือนกับมีที่กรีดแทงใจกับจมอยู่ในความทุกข์อยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเวลาเศร้าเนี่ยนะเราก็คิดถึงแต่คนที่ทำให้เราเศร้าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราเศร้านะเอาแต่ฟังเพลงที่มันเศร้าแล้วคนเวลาเศร้าเนี่ยสังเกตไหมไม่สนใจที่จะฟังเพลงที่สนุกสนานรื่นเริงสนใจแต่ฟังเพลงที่เศร้าเอาแต่นั่งเจ้าจุก เพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวไม่ไปใครมาชวนให้ไปไหนไม่ไปฉันจะนั่งเจ้าจุกเพื่ออะไรเพื่อจะได้จมอยู่ในความเศร้านะอันนี้เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าทรมานตนนี่เราซ้ําเติมตัวเองใช่ไหมเวลากโกรธเนี่ยนะใจก็จะนึกถึงคนที่ตัวเองโกรธนะทั้งที่นึกไปแล้วเนี่ยจิตใจมันก็รุมร้อนเครียดแค้นก็ยังคิดถึงคนคนนั้นคิดถึงการกระทําของเขาคิดถึงคําพูดของเขา นะอย่างนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองอย่างงี้เรียกว่าทรมานตนอย่างงี้เรียกว่าเอาทุกมาทับตนทับถมตนใช่หรือเปล่านะมันก็ไม่ต่างจากคนที่มีมีดใบมีดโกนอยู่ในมือนะวางอยู่บนฝ่ามือหรือว่าเศษแก้วคมๆเนี่ยวางอยู่บนฝ่ามือถ้าวางอยู่บนฝ่ามือไม่เป็นอะไรนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ทําอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะกําเอาไว้กําแล้วก็บีบกําแล้วก็บีบนะ เกิดอะไรขึ้นตามมานะมันก็บาดนิ้วบาดมือทําให้มีแผลนะเราทําอย่างนีนกับใจของเรานะมีดโกนหรือว่าเอ่อเสีแก้วเนี่ยก็เหมือนกับคําพูดที่มันเอ่อบาดแทงจิตใจการกระทําที่บาดแทงจิตใจของเราแทนที่เราจะแค่เอ่อปล่อยให้มันอยู่เฉยๆเรากลับคิดถึงมันคุ่นคิดถึงมัน อ้การคุกคดถึงมันเนี่ยก็คือการกระทำไม่ตายจากการไปบีบไปกรรมใบมีโกนหรือว่าเศษแก้วซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือความเจ็บนะแต่มันไม่ใช่เจ็บเจ็บเจ็บมือนะมันเจ็บใจมันปวดใจอันนี้ใช่ไหมนะที่เป็นการทรมานตนแบบหนึง่งนะเป็นการซ้ำเติมตัวเองผู้เจ้าจัดว่าคนพัานปัญญาสามเนี่ย ย่อมทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูนะทำกับตัวเองเป็นศัตรูเนี่ยไม่ใช่หมายถึงการกินเหล้านะการเสพยาที่ทําร้ายตัวเองหรือว่าเป็นการฆ่าตัวเองผ่อนส่งมันไม่ได้หมายความเฉพาะว่าไปทําชั่วผิดศีล น, นะซึ่งทําให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนนะต้องคอยหลบคนที่จะมาแก้แค้น อยู่ร้อนนอนทุกข์หรือว่าบางทีก็ถึงกับติดคุกติดตารางอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูคือทำร้ายตัวเองแต่ถึงแม้ไม่กินเหล้าห่างไกลจากยาเสพติดนะถึงแม้ว่าจะมีศีล น, นะศีลห้าครบนะแต่ก็สามารถจะทำร้ายตัวเองได้นะเพราะการที่ ซ้ำเติมตัวเองด้วยการเอาความทุกข์เอาความโกรธเอาความเกลียดเนี่ยมาทับถมตนนะเนี่ยเพียงแค่ข้อแลกนี้ก็ไม่ผ่านกันแล้วนะทูเจ้าบอกว่านะไม่เอาทุกข์มาทับถมตนเนี่ยนะส่วนใหญ่ทํากันทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าไม่รู้ตัวและเพราะความไม่รู้ตัวนี่แหละที่ทําให้เราซ้ําเติมตัวเองหนักขึ้นหนักขึ้นคนเวลาโกรธเนี่ยไม่รู้นะว่าตัวเองโกรธ นะแล้วที่โกรธเพราะอะไรเพราะเผลอคิดในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะีมันผ่านไปแล้วก็แทนที่จะเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันทําหน้าที่การงานให้ดีที่สุดหรือว่ า, ารู้จักหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเอาแต่ฮวันคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดคิดแล้วเนี่ยไม่มีความสุขแล้วทำไมถึงคิดเพราะไม่รู้ตัวเพราะเผลอคิดแล้วพวกเราเวลา มาเดินจงกรมาสร้างจังหวะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมใจเนี่ยมันเผลอคิดไปถึงเรื่องราวที่ทําให้เศร้าโศกโกรธแค้นอะไรอาวร์หรือไม่เช่นนั้นก็เผลอคิดไปเรื่องที่ยังมาไม่ถึงแต่นึกไปแล้วก็ทุกนึกไปแล้วก็กังวลนึกไปแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะเพราะว่าไปปรุงแต่งเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงนะไม่เดีย๋ยวว่าแต่เรื่องใหญ่โตนะใช่เรื่องหนี้ศิน หรือว่าไปรอรับผลการตรวจนะสุขภาพตรวจโรคนะแม้แต่ชีวิตประจำวันนะนะเวลาเราเดินทางนั่งรถนะเจอรถติดเนี่ยนะจริงรถติดเนี่ยจิตไม่ตกนะแต่พอเราไปเผลอคิดว่าเนี่ยไปเผลอคาดการล่วงหน้าว่าถ้าเกิดรถติดแบบนี้ก็จะไปถึงที่หมายไม่ทันจะผิดนัดจะตกเครื่องบินนะจะไปประชุมไม่ทัน นะจะไปส่งลูกไม่ทันนะอันเนี้ยพอคิดแบบเนี้ยนะเครียดเลยงุดหงิดเลยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่เครียดไปซะและ้วเพราะอะไรนะพเพราะเผลอคิดไปเรื่องที่ยังมาไม่ถึงอันนี้ก็เป็นการซ้าเติมตัวเองอย่างหนึ่งนะที่เรามักจะทำเป็นอา จ, จินนะไอเรื่องการปฏิเสธหรือว่ามองข้ามความสุขที่ชอบทานี่ก็อธิบายไปแล้วนะและที่เป็นหนักก็คือการ ไปสยบโมมาในความสุขนะพอมีความสุขแล้วก็ยินดีกับมันมากปรับพิ่มนะจกนกระทั่งโมเมานะมีเงินแทนที่จะเป็นนายของเงินนะก็ปล่อยให้เงินมาเป็นนายเรามีความสะดวกสบายนะแทนที่จะเป็นนายเหนือมันนะกลับเป็นกลับปล่อยให้มันปเป็นนายเราที่ไหนที่ไม่สะดวกสบายฉันไม่ไปนะถึงแม้ว่าจะไปอ่าจะไป ทำบุญทำกุศลไปปฏิบัติธรรมแต่พอรู้ว่าโอ้มันไม่สบายนะันเนี่ยที่วัดนี้นะไม่มีไฟนะหรือว่าไม่มีเตียงนะอะไรที่ไม่สบายนี่ไม่ไปนะทั้งๆ ท, ที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ก็เรียกว่าธาตุนะของความสะดกสบายซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะนะจะทำอะไรต้องสะดวกสบายไว้ก่อนนะทำให้ขาดโอกาสในการที่จะพัฒนาตนเข้าถึงความดีนะ เด็กๆเนี่ยนะก็ติดกับความสบายมากนะถ้าหากว่าจะต้องออกกาลังกายนะก็ไม่อยากไปไม่อยากทำนะทั้งที่มันเป็นผลดีต่อสุขภาพนะเหตุผลเพราะอะไรเพราะมันเหนื่อยนะไอ้ความติดสบายเนี่ยมันทำให้เกิดโรคภัยนะกับร่างกายของเราและทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ได้ง่ายนะเพราะว่า ไอสิ่งที่มันสุดสบายเกิดมันพัดพรางหายไปเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมานี่ว่าเฉพาะเรื่องของทางสายกลางอย่างเดียวนะแต่ที่จริงในธรรมจักรกับวรบรณะสูตรเนี่ยนะพระเจ้าได้พูดอีกมากมายนะโดยเฉพาะเรื่องของความทุกข์นะความทุกข์เนี่ยนะไม่มีใครชอบนะแต่เพราะไม่ชอบนี่แหละจึงทุกข์เรื่อยไปแต่สังเกตพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นอริยสัตว์นะอริยแปลว่าประเสริฐ ความจริงเกี่ยวกับทุกเนี่ยมันเป็นความจริงที่ประเสริฐนะเวลาล้นติดถึงความความความประเสริฐเนี่ยเราก็จะนึกถึงสิ่งที่ให้ความสุขนะสิ่งที่มันสบายนะหรือว่าสิ่งที่มันดูเป็นบวกนะแต่จริงๆความทุกเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐเหมือนกันนะถ้าเรารู้จักนะรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาในบทสวดเนี่ยนะ ผู้จ้าตัดว่าเนี่ยทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้นะทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้ในที่นี้เนี่ยฉันใช้คำว่าปริญญานะมันไม่ได้แปลว่าเพลงไม่ได้แปลว่าจ้องนะแต่มันหมายถึงว่าทําความเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเพียงแค่ว่าทุกเนี่ยมันได้แก่อะไรบ้างไม่ใช่เข้าใจว่าทุกเนี่ยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะความโศกรำความร่ำลายลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแคบแค้นใจ แต่ยังหมายถึงว่ารู้ว่านะทุกเนี่ยนะมันมาจากอะไรนะความทุกข์ที่เรียกว่ามันมีทุกสองแบบนะอย่างแรกเนี่ยก็ ค, คือความความทุกข์ทางกายนะความทุกข์ทางกายได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ลงถึงความพัดพรากสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครหนีพ้นพระอรหันต์พระพุทธเจ้า ก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บนะและก่อนที่จะตายนะก็ต้องเจอความพัดพรากสูญเสียแต่ถ้าเราเข้าใจนะว่าที่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะก็เพราะว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีความพร่องความไม่สมบูรณ์แต่ไปด้วยความขัดแย้งภายในในร่างกายนี่มันก็มีความขัดแย้งนะมันมีเซลล์ที่เกิดมันมีเซลล์ที่ตาย มันมีความเกิดดับอยู่ในร่างกายของเร า, <S <S การเกิดขึ้นกับเซลล์ทุกเซลล์เกิดขึ้นกับทุกเนื้อเยื่อทุกอวัยวะวันนึงเนี่ยมีเซลล์ในร่างกายตายเนี่ยห้าหมถึงแสนล้านเซลล์แต่ที่เรายังไม่ตายที่เรายังมีสุขภาพดีเพราะมันมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นนะในจํานวนที่มากพอๆกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอแก่ตัวลงไปนะไอ้เซลล์ตายมันมีมากกว่าเซลล์ที่จะเกิดใหม่และเซลล์ที่เกิดใหม่มันก็ ไม่ใช่เป็นเซลล์ที่สมบูรณ์นะมันก็มีความผิดเพี้ยนมันมีการมันมียีนที่ผิดปกตินะมันมีความบกพร่องในโครโมโซมเพราะความแก่ของมันความชราของมันตรงนี้ก็ทําให้เกิดความเจ็บความป่วยขึ้นและสุดท้ายก็ความตายนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะร่างกายเราทรัพย์สมบัติสิ่งของก็ล้วนแล้วแต่พร่องล้วนแล้วแต่ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับภายในของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเสื่อม และต้องสลายไปในที่สุดร่างกายเราทรัพย์สมบัติของเราคนรักของเรานะมันต้องเสื่อมต้องสลายไปไอ้ความเสื่อมสลายไปเราเรียกว่าทุกขังนะทุกในไตลักเนี่ยนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยให้เข้าใจว่ามันหมายถึงอันนี้นะคือความไม่คงตัวนะความพร่องความไม่สมบูรณ์ความขัดแย้งภายในถ้าเรารู้ว่าถ้าเราเข้าใจความจริงว่ามันมันเป็นทุกข์นะพูดง่ายๆมันเป็นทุกข์ นะก็คือว่ามันพร่องมันไม่สมบูรณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เราก็จะไม่เสียเสียอกเสียใจนะเมื่อมันเสื่อมสลายไปเพราะเราร่วงมันเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองอย่างพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยพร่องเห็นความจริงอันนี้นะว่าสิ่งทั้งปวงมันเป็นทุกข์นะก็คือว่ามันมีความพร่องมีความไม่สมบูรณ์มีความขัดแย้งภายในซึ่งในที่สุดก็ต้องเสื่อมสลายแล้วก็ดับไป เมื่อพระ อ, องค์เห็นความจริงเช่นนี้เนี่ยเมื่อพระ อ, องค์แกฉชาราเมื่อพระ อ, องค์เจ็บป่วยนะก็ป่วยแต่กายใจไม่ทุกข์นะขณะที้แตเป็นเพราะคนเราไม่เข้าใจนะคนเราไม่เข้าใจนะความจริงอันนี้มันก็เลยเกิดความยึดติดนะความยึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูร่างกายนี้เป็นของกูบ้านเป็นของกูคนรักของกูนะพอเราเย่าเป็นของกูหมดเนี่ยนะ พอมันเสื่อมสลายไปมันไม่เป็นไปดั่งใจมันไม่คงที่ไม่คงตัวเราก็เกิดความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจขึ้นมาไอ้ความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายใจเนี่ยความขับแค้นใจเนี่ยมันไม่ใช่ทุกที่จะต้องเกิดกับทุกคนนะไอ้ความแก่ความเจ็บความพัดพาความตายเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นนะแต่ไม่ได้แปลว่า เมื่อต้องเจอกับมันแล้วเนี่ยจะต้องโศกจะต้องร่ำไรลาพันธ์ไม่สบายใจคับแค้นใจเสมอไปถ้าเรารู้ความจริงนะเมื่อรู้ความจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยไอ้ความที่ความยึดติดหรือว่าตันหาอุปาทานมันก็จะมันก็จะเบาบางนะจนหมดไปเมื่อไม่มีตันหาอุปาทานพอมันเสื่อมสลายดับไปนะใจก็ไม่ทุกข์นะเราไม่มีทางที่จะหลีกหนี สภาวะที่เป็นความแก่ความเจ็บความพัดพลาดความตายได้แต่ว่าเราสามารถที่จะยกจิตให้เหนือนะสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งไม่ไม่เกิดอาการที่เรียกว่าความโศกความล่ําลายลำพันธ์ความไม่สบายใจความคับแค้นใจได้นะและซึ่งนี้เกิดจากการปฏิบัตินะเกิดจากการฝึกใจนะฝึกกายวาจาใจซึ่งผูจา็จําแนกออกมาเนี่ยเป็นเอ่อเป็น 8, 8วิธีนะ 8ขั้นตอนหรือว่า8ประเภทนะก็เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปนั่นเองนะอาจจะจํายากนะแต่ที่จริงแล้วก็รวมแล้วก็แค่สามนะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของปัญญาคือการมีสมัมมาทิฏฐิการมาีสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบความดำริอชอบพวกนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องของปัญญาส่วนเรื่องของอสัมมาอาชีวะสัมมากรรมันตสัมมาวาจา น, นี่เป็นเรื่องของศีล สัมมาสมาธิสัมมาสตินี่เป็นเรื่องของของจิตนะที่บางทีเราก็เรียกรลมๆว่าสมาธินะอันนี้แหละเป็นวิธีการฝึกกายวาจาใจนะซึ่งทําให้เกิดปัญญาในที่สุดนะเมื่อมีปัญญาเห็นความจริงนะว่าสิ่งทั้งปวงนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะมันไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมั่นได้ความปัญญ า, านี่แหละนะที่ทําให้เราที่เคยยึดว่ามันเป็นตัวกูของกูเป็น เป็นเราเป็นของเราเนี่ยเราก็จะคืนให้เป็นของธรรมชาติไปเราจะคืนร่างกายนี้ให้เป็นของธรรมชาตินะเราจะคืนจิตเนี่ยเป็นของธรรมชาติเราจะคืนทรัพย์สมบัติบ้านเรือนให้เป็นของธรม ร, uh ร, มงธรมชาติคนรักก็เป็นของธรรมชาติถึงเวลาเสื่อมไปตามธรรมชาติก็ไม่ทุกร้อนนะตรงนี้แหละที่จะทำให้นะเกิดความพ้นทุกข์ได้ที่ร ว, วันนี้โลดเนี่ยการหลุดพ้นจากความทุกข์การดับสิ้นซึ่งความทุกข์เนี่ย นะมันเป็นไปไดนะ้ก็เพราะการฝึกนะฝึกกายวาจาใจอย่างนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณานะแล้วก็ใค ร, คร่ครวญเมื่อเราศึกษาเมื่อเราได้ได้อ่านนะเกี่ยวกับธรรมจกักรปัฏนานสูตรหรือปฐมเทศนาและนำมาใช้กับเชีวิองตัวเองแม้ว่าอาจจะอาจจะเข้าใจยากนะแต่ว่าถ้าศึกษาเนี่ยมันก็จะ เกิดความเปลี่ยนแปลงนะกับจิตใจของเราได้แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยนะเข้าถึงเรียกว่าห่างไกลาจากความทุกข์เป็นลำดับจนกระทั่งอาจจะพ้นทุกข์ได้เลยก็ได้เอาละคำนี้ก็พอสมควรกกบเวลาแล้วก็ขอยุติการรรยายิเพียงเท่านี้